hmm คืนนี้นะเป็นคืนสุดท้ายนะของสา ม, มนเนรและศิลจารินีนะที่จะได้มาบวัวที่วัดป่าสุกโตในปีนี้นะดีใจไหมฮ ะ, ะทำไมถึงดีใจฮะดีใจเพราะได้กลับบ้าน อ, อันนี้เรียกว่าเป็นการเป็นความดีใจนะขั้นธรรมดานะความดีใจที่สูงกว่านั้นคือดีใจว่าเราทำได้ เราทำสำเร็จสำเร็จยังไงนะรู้ไหมเราสำเร็จยังไงฮนะสำเร็จที่เราบวชมาจนถึงวันนี้ได้เงี้ยถึงแม้จะมีความยากลำบากแค่ไหนต้องตื่นเช้าบางครั้งอาหารก็ไม่ถูกปากนะอากาศก็ร้อนกลางวันกลางคืนมานทีก็เย็นแล้วก็พระพี่เลี้ยงนะหลวงพี่หลวงพ่อก็ เที่ยวเขียนให้เราทำอะไรอีกต้องหลายอย่างแต่สุดท้ายเราก็ทำสำเร็จไม่ยอมแพ้ไม่ท้อถอยสู้มาจนถึงวันนี้นะโดยไม่คิดสึกนะหรือว่านะไม่เรียกว่าโยนผ้าขาวนะถ้าเราดีใจแบบนี้นี่ถือว่านะเป็นความดีใจที่สูงขึ้นนะดีใจที่ได้กลับบ้านนี่โอ้ยมันธรรมดานะ แต่ดีใจที่เราได้ทําสําเร็จนะลองนึกถึงนะคืนวันที่สิบแปดนะที่เรามานอนครั้งที่นี่หรือบางคนก็มาเช้าสิบเก้าเรารู้สึกยังไงนะหลายคนก็ไม่มั่นใจหลายคนก็วิตกคิดถึงบ้านนะไม่ได้อยากจะมาเลยนะแต่พ่อแม่นะขอให้มาหรือว่าบังคับให้มา สิก้ายังไม่ทะเละวันที่ยี่สิบเนี่ยเป็นไงนะพอพอ่อแม่กลับบ้านแล้วเรากึรเหงาัหมบางคนก็เหงาใช่ไหมบางคนก็อยากจะสึกใช่ไหมแต่เราก็ไม่สึกนะเราก็พยายามสู้นะสู้กับอุปสรรคสู้กับความอยากสึกแล้วเราก็ผ่านมาไดนะ้ความคิดอยากสึกก็ไม่มีนะก็ แล้วก็ต้องเจออะไรหลายอย่างเราก็ทำได้นะเช่นนะให้เราไปเดินฝ่าความมืดนะจำได้ไั้มชอบั้มไม่ชอบ อ, อแต่นี่แหละจะเป็นกิจกรรมที่เราจะจดจำไว้นะอีกนานแสนนานและการที่เราทำได้นะการที่เราทำได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จนะ ต้องภูมิใจนะนะต้องยกนิ้วให้กับตัวเองเนี่ยอันนี้แหละคือเหตุผลที่เราควรจะดีใจนะว่าเกือบเดือนนะเกือบเดือนนะสามอาทิตกว่าเราทําจนเราทําได้จนสําเร็จนะนะจะให้เราดีใจตรงนี้ด้วยนะลองถามตัวเองว่าเนี่ยมันควรดีใจไหมะนะมันเป็นความสําเร็จที่เกิดจากน้ําพักน้ําแรงของเราสําคัญนะ คนเราเนี่ยจะมีความรู้มากมายแค่ไหนนะหรือว่าจะมีโชควาสนาเพียงใดแต่ถ้าเราไม่มีความเพียรไม่มีความพยายามนะมันไม่มีทางสําเร็จนะไม่มีทางเจริญสมัยนี้เขาก็เน้นนะสอนให้เด็กเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์ให้รู้จักคิดนอกกรอบนะอันนี้ก็เป็นเรื่องดี แต่ว่าจะเก่งแค่ไหนนะถ้าไม่มีความเพียรพยายามถ้าไม่กล้าสู้ความยากลำบากเนี่ยจะทำอะไรก็ไม่สาเร็จหรอกอันนี้พอเราทำสาเร็จได้เนี่ยนะอันนี้แหละคือสิ่งที่ควรภาคภูมิใจนะอย่าไปภาคภูมิใจนะว่าเรามีกระเป๋าราคาแพงอนะ่อย่าไปภาคภูมิใจว่าเรามีโทรศัพท์นะเครื่องพิเศษนะรุ่นใหม่ ไอ้แบบนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะน่าภาคภูมิใจเลยเพราะว่าใครมีเงินก็หาซื้อได้แต่สิ่งที่มันน่าภูมิใจคือการที่เราทำความเพียรนะใช้ความขยันหมั่นเพียรไม่ว่ามันจะสำเร็จหรือไม่ไม่สาคัญนะขอให้เพียรพยายามเอาไว้นะและตรงนี้แหละนะมันจะทำให้เราเนี่ยเมื่อต่ก็ตามที่เราเกิดความท้อแท้ท้อถอย เรามานึกถึงวันที่เรามาบวชเนนบวชศิรจารินีแล้วเราก็ท้อแท้หลายครั้งเราก็ยอมแท้หลายครั้งแต่ว่าสุดท้ายเราก็พิสู้นะจนกระทั่งมาจนถึงวันนี้ได้นะยี่สิบกว่าวันนี้ไม่ใช่น้อยๆ น, นะแล้วคราวนี้เราก็ต้องถามใจเราเองนะว่านะถามตัวเราเองก่อนที่เราจะศึกหาราเพรศัยวันพรุ่งนี้นะลองมองตัวเองสักหน่อยนะว่า ผ่านมาสามอาทิตย์กว่าเนี่ยเราทำอะไรได้ดีบ้างมีสิ่งใดที่เราภาคภูมิใจมัง่งนอกจากการที่เร า, าฟันฝ่ามาจนกระทั่งถึงวันนี้มีอย่างอื่นที่เราภาคภูมิใจหรือเปล่าเช่นการที่เราเสียสละนะเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกับเพื่อนร่วมกลุ่มหรือว่าเสียสละเพื่อหมูนะ่คณะหรือว่ า, าเรา ได้เรียนรู้วิธีการอยู่แบบง่ายๆมากขึ้นแต่ก่อนจะกินอะไรก็เลือกกินกินยากนะพอมาที่นี่แล้วเรากินง่ายขึ้นนะเราอยู่ง่ายขึ้ น, นต้องให้คนานนตัวเองนะให้คนานนตัวเองสักหน่อยนะว่าสามสี่อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีอะไรที่ดีขึ้นบ้างคนเราเนี่ยนะมันต้องมีอะไรที่ดีขึ้น เมื่อเรานะมีประสบการณ์แบบนี้แล้วนะเราจะต้องเป็นคนใหม่กว่าเดิมจากวันจากวันแรกนะที่มาบวชจนถึงวันนี้เนี่ยเราต้องเป็นคนใหม่กว่าเดิมใหม่กว่าเมื่อสามิทถ์ที่แล้วดีกว่าเป็นคนที่ดีกว่าสามธิถ์ที่แล้วนะดีกว่ายังไงเช่นรักพอ่อรักแม่มากขึ้นรักธรรมชาติมากขึ้นนะแต่ก่อนเห็นต้นไม้นะ ก็อยากจะตัดนะถ้ามีมีดนะก็เวียงบางทีเห็นสิงสารสันเราก็ไม่สนใจแต่มาคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรารักธรรมชาติมากขึ้นนะเรารักธรรมชาติมากขึ้นรักต้นไม้มากขึ้นเห็นคุณค่าธรรมชาติมากขึ้นอันนี้ถือว่านะให้คนานนตัวเองได้เราเสียสละมากขึ้นแต่ก่อนกินข้าวก็นึกถึงตัวเองก่อนนะแต่ว่าตอนหลังก็นึกถึงเพื่อน เพื่อแผ่แบ่งปันให้เพื่อนบ้างอันนี้ก็ถือว่าถ้าเรามีตรงนี้นะก็ก็ให้คะแนนกับตัวเองได้อดทนมากขึ้นนะตื่นเช้าได้ดีขึ้นนะอันนี้แหละก็คือสิ่งที่จะทำให้เราเป็นคนใหม่ถ้าถามตัวเองนะว่ามาถึงวันนี้เนี่ยเราเป็นคนที่ใหม่กว่าเดิมไหมนะเป็นคนที่ดีกว่าเดิมไหมหรือว่าเป็นคนที่เข้มแข็งกว่าเดิมไหมถ้าว่าเราเนี่ยนะ กลัวความมืดน้อยลงนะกลัวผีน้อยลงนี่ก็ถือว่าได้คะแนนนะให ed, en, ung, a, hn, ้คะานนตัวเองได้กลัวความมืดน้อยลงก็ว่าะเนนกับศีลนะกลัวน้อยลงก็ว่าือกลัวมากขึ้นนะกลัวน้อยลงนะอกลัวท่าเหรอกลัวท่าน้อยลงกลัวตุ๊กแกน้อยลงก็ว่าทุ๊กเกลตุ๊กแกน้อยลงใช่ไหมเออเก่งแล้วนะนะ อย่างน้อยมันต้องให้ต้องมีอะไรดีสักอย่างสองอย่างนะสามอาทิตย์เนี่ยนะกลัวความมืดน้อยลงกลัวทุกแก่น้อยลงแล้วก็อยู่ง่ายกินง่ายบ้างขึ้นนะรู้จักช่วยตัวเองแต่ก่อนนี่จะทําอะไรก็ชี้นิ้วให้แม่ทําให้ให้พ่อทําให้หรือไม่ก็ให้คนที่บ้านเรียคนใช้ที่ทําให้ตอนนี้เราต้องรู้จักทําเองซะมั่งนะเก็บที่นอนก็เก็บที่นอนเป็นนะซักเสื้อผ้าก็ซักเป็นนะ แล้วก็อย่างที่บอกนะคือถ้าว่าเราเรามาแล้วเนี่ยนะเรามีความขยันหมั่นเพียรมากขึ้นเรามีความมั่นใจตัวเองมากขึ้นแต่ก่อนจะทําอะไรก็ไม่กล้าทำอะไรก็ไม่ก็กลัวเช่นกลัวความมืดนะหรือว่ากลัวความลําบากแต่ตอนนี้เนี่ยนะเออเราเราเห็นว่าเอ้ยเราก็เก่งกว่าที่เราคิดนะแต่ก่อนเนี่คิดว่าคงไม่ไหวหรอกนะสามสี่ทิตเนี่ยจะไหวหรือเปล่า แต่ตอนนี้เราไหวแล้วนะแล้วก็จะให้มากกว่านี้ให้อยู่นานกว่านี้ก็ได้นะอันนี้ต้องเรียกว่าเรามีความมั่นใจตัวเองมากขึ้นสำคัญมากนะคนเราเนี่ยเราทุกคนเนี่ยมีของดีอยู่ในตัวเช่นความเพียรพยายามนะความอดทนเข้มแข็งนะเรามีสิ่งเหล่านี้แต่เราไม่เอามาใช้เพราะเราเชืว่าเราไม่มีอะไรเราไม่เก่งนะแล้วที่อยากจะให้เรานะจดจำเอาไว้นะ ก็คือการปฏิบัตินะการฝึกสตินะการเจริญสตนะิให้มันเห็นว่าเวลามีความทุกข์เนี่ยนะก็กลับมาดูใจเจ้าของกลับมาฝึกใจเจ้าของนะให้เป็นอย่างเด็กคนหนึ่งนะชื่อน้องไอนะน้องไอนี่อายุ 3-4 สี่ขวบแค่นั้นแหละวันหนึ่งวิ่งนะวิ่งเร็วจีเลยนะเพราะว่าไปชนประตูที่เป็นกระจกนะคิดว่ามันเป็นที่โล่งๆนะ ตัวนี้วิ่งชนกระจกเลยวิ่งชนประตูกระจกตุ้งแม่อยู่ในครัวเดินเสียงน้องไอร้องโอ๊ยแม่ตกใจรีบมานะทีรกจะมาอุ้มน้องไอ้น้องไอ้บอกแม่ไม่ต้องไม่ต้องยกมือห้ามไม่ต้องนะเดี๋ยวน้องนั่งสมาธิก่อนเดี๋ยวน้องไอ้นั่งสมาธิก่อนน้องไอ้รู้นะว่าเวลาปวดเนี่ยนะถ้าทำสมาธิแล้วเนี่ยมันจะปวดน้อยลงนะเพราะว่าน้องไอเคยมีประสบการณ์นะเคยนั่งสมาธิมา เวลามีเวลาทาสมาธิแล้วเนี่ยนะไอ้ความปวดความเมื่อยนี่มันมันก็รบกวนจิตใจได้น้อยลงนะน้องไอ้เวลาปวดเนี่ยนะเพราะชนประตูกระจกเนี่ยเขาก็รู้นะว่ามันต้องฝึกจิต ด, ด้วยให้มีสมาธิเพราะสมาธินี่มันจะไปเชี่ยวมันจะไม่ช่วยรักษาความความปวดทางกายได้ที่จริงเนี่ยน้องไอาจจะรู้ได้ว่าคนเราเนี่ยเวลาปวดเนี่ยนะมันไม่ได้ปวดแต่กายมันปวดใจด้วย ธรรมชาตินะธรรมชาติซึ่งน้องไอซ์อาจจะไม่อาจจะเล็กไม่รู้จักแต่น้องไอซ์ก็รู้ว่าเนี่ยเวลาปวดเนี่ยถ้าทําสมาธิแล้วเนี่ยความปวดมันจะน้อยลงเพราะสมาธิมันทีแรกมันทําให้ปวดกายน้อยลงไอปวดใจน้อยลงก่อนนะสมาธิมันทำให้ปวดใจน้อยลงพราปวดใจน้อยลงแล้วเนี่ยความปวดกายก็น้อยลงไปด้วยอีกคนนึ่งนั่นก็เปาวานนะเปาวานก็ห้าขวบนะเปาวานี่ห้าขวบนะ ฝรั่งเนี่ยเรียกว่าเรียกวานว่ารเรียกวานว่าวานนั่ะไม่ใช่ปลานะแต่คนไทยเราเรียกสัตว์นะที่มันว่ายน้ำได้ว่าปลาเราก็เรียกว่าปลาวานนะแต่ชื่อแรกเขาชื่อวา น, นวันหนึ่งเนี่ยวานเนี่ยโดนแม่ต่อว่าปกติวานนี่จะเถียงแม่นะแต่คราวนี้เนี่ยวานไม่เถียงนะหน้าบึ้งนิดหน่อยพอแม่พูดจบวานก็เดินออกไปเลย วานเป็นเด็กอายุห้าขวบอะ เ, เหมือนพวกเราอะ่ะแม่สงสัยวาวานเดินไปไหนแต่าวาวานทำอะไรวานบอกไปสงบสติอารมณ์ครับาวานรู้ว่าตอนนั้นเนี่ยนะจิตใจ ม, มันมีความขุ่นเคืองมีความหงุดหงิดมีความไม่พอใจนะปกติคนเราเวลามีความโกรธเนี่ยนะไม่รู้ตัวนะเด็กเนี่ยเวลาถูกพ่อแม่ว่าเนี่ย ก็จะตอบโต้เลยนะเพราะความโกรธไม่รู้ทันความโกรธนะความกลธวมันสั่งให้ให้เถียงพ่อเถียงแม่มก็เออมันก็ทําแต่ว่านี่เขาสังเกตนะเวลาโกรธแล้วในจิตใจมันรุ่มร้อนแล้วเมื่อจิตใจรุ่มร้อนนี้จะทำยังไงนะมันมันร้อนที่ใจก็แก้ที่ใจนะเพราะฉะนั้นวานก็เลยนะจะไปนั่งสมาธินะจะไปสงบสติอารมณ์ พวกเราเนี่ยนะได้มีโอกาสมาเจริญสติกันนะนะทางรู้วิธียกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมแล้วก็ฝึกให้ดูใจเจ้าของไปด้วยเวลาเรานะเวลาเราศึกไปแล้วก็ไปเจอไปเจออะไรต่ออะไรที่มากระทบที่ทําให้จิตใจขุ่นมัวอาจจะมีคนพูดไม่ถูกใจเราอาจจะมีเพื่อนต่อว่าเรานินทาเรา หรือบางทีก็ถูกพ่อแม่นะนะต่อว่าเอามันมีความทุกข์นะความทุกข์นี่เกิดจากความโกรธคนฉลาดนี่เขาจะกลับมานะก็จะกลับมาดูใจเจ้าของนะ เ, เขาร่วมมันทุกที่ใจก็ต้องมาต้องมาต้องไปแก้ที่ใจนะไม่ใช่ไปแก้ที่พ่อแม่ไม่ใช่ไปทะเลาะ ก, กับพ่อแม่กลับมาดูใจของเราพวกเราเนี่ยเมื่อเมื่อโตขึ้นนะ เวลามีความทุกข์เนี่ยขอให้นึกถึงคุณค่าของสติขอให้นึกถึงพลังของสมาธินะว่าเนี่ยมันเคยช่วยเราได้ใครที่มีมีประสบการณ์ดีๆนะระหว่างที่บวชเนี่ยไม่ว่าจะนุ่งเหลืองห่มขาวก็ตามถ้าเราตอนที่เรานั่งสมาธิจริญสติใจเราสบายเนี่ยจดจำเอาไว้นะจดจำเอาไว้ พอถึงเวลาที่เรามีความทุกข์เพราะเรื่องเรียนเรื่องการงานเรื่องสุขภาพร่างกายนะเรื่องคนรอบข้างนะความรู้สึกดีๆประสบการณ์ดีๆที่เราได้ได้รับนะตอนมาบวชเนี่ยโดยเพราะาตอนที่เราได้มานั่งสมาธิเจริกสติและใจสงบนี่แหละมันจะช่วยมันจะช่วยตื่นใจให้เราเนี่ยหันมาหาสมาธินะ คนเวลาทุกเนี่ยนะเขาจะถ้าไม่ระบายนะใส่คนอื่นนะเช่บนบ่นวยวายตีโยพยตายหรือว่าต่อว่าด่าทอเขาก็อาจจะไปห า, าสิ่งเสพติดนะเช่นเหล้าบุหรี่หรือแม้กระทั่งอบายมุขเพื่อจะได้ลืมทุกไปแต่พวกนี้มันไม่ใช่วิธีแก้ปัญหานะวิธีแก้ปัญหาเนี่ยก็มาแก้ที่ใจเรา อาศัยสตยิสมาธินี่แหละดังนั้นนะอย่าลืมนะประสบการณ์นี้เนี่ยถ้าเรามีนะจดจําเอาไว้จดจําเอาไว้ดีๆนะถึงเวลาที่เราทุกข์ถึงเวลาเราเจอเกิดวิกฤตในชีวิตนะเราจะนึกถึงสตินึกถึง น, น, น, นึกถึงสมาธิได้นะมันจะหุนหันพันแล่นยังไงนะก็กลับมาตั้งสติได้นะนถ้าเรามีตรงนี้นะจําเอาไว้ดีๆ เหมือนสมัยที่ผู้จ้าเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยตอนเจ็ดขวันะเคยไปนั่งใต้ต้นไม้แล้วก็นั่งสมาธินะปราก็จิตใจสงบมากเลยจิตใจสงบมากตอนนั้นเขาว่าท่านเข้าถึงภาวะที่เป็นชานเลยนะชานนี่คือสมาธิขั้นสูงต่อมาเนี่ยนะอย่างที่เราทราบนะเจ้าชายสิทธัตถาก็ออกบวชนะแล้วก็ ไปหาทางพ้นทุกอยู่หลายสำนักหลายอาจารย์หลายวิธีก็ไม่สําเร็จนะไม่ว่าจะเป็นอาราณดาบทอุทกรกดาบทไม่ว่าจะเป็นการทรมานตนคนที่พยายามนะแต่ไม่เจอทางออกนี่บางทีก็เค้งนะอย่างเจ้าชายสิทธัตถานี่ก็เค้งนะแต่พอเราลึกได้นะท่านเลึกได้ว่าถึงเคยถึงเหตุการณ์ที่เคยได้ฌานนะได้สมาธิจากการนั่งใต้ต้นไม้เนี่ย ก็ทำให้ท่านหวนคิดวิธีนี่แหละนะแต่สุดท้ายท่านก็เอามาใช้นะจนกระทั่งสามารถจะค้นพบหนทางแห่งความพ้นทุกข์ได้นะเกิดความรู้แจ้งในศัจธรรมนะนี่ก็เพราะอาศัยประสบการณ์นะความทรงจำดีๆในวัยเด็กนะพวกเรามาบวชนี่นะก็ขอให้ก็เชื่อต้องมีความรู้สึกดีๆความทรงจำดีๆก็เก็บเอาไว้นะเก็บเอาไว้ มันจะมีประโยชน์นะในวันที่เราจะนึกไม่ถึงก็ได้ในวันที่เราลืมไปแล้วในวันที่เราเหนื่อยในวันที่เราทุกข์ยากและเราได้พบว่าครั้งหนึ่งเราเคยพบกับความสงบใจเพราะเจริญสติเพราะทำสมาธิถึงตอนนั้นแหละนะที่มันจะทาให้เราเนี่ยหันมานะหันมาใช้สมาธิแก้ปัญหานะที่จริงเนี่ยนะเวลาเราเรียนหนังสือเนี่ย มันติดขัดยังไงก็ใช้สมาธิได้นะเคยดูหนังอีคิวสังรป่อีคิวังก็ทำง่ายนั่งสมาธิใช่มัมยก็มีปัญหาเขาก็นั่งสมาธินะก็ทำยังไงเออนั่นแหะนะให้ลองทำดูหรือว่ายกมือสร้างจังหวะเดินจงกลมก็ได้นะมันทำได้หลายแบบนะแล้วก็พอสมควรแก่เวลานะก็ยุติเท่านี้กระพรพร้อมกัน